เขาไม่มีประเพณีหลักธรรมนิยมไว้ที่ตรงไหนธรรมนิลิศอยู่แล้วจุนต้อนในคำหนึ่งเสมอเนาะมันเข้าทุกชอบทุกมุมมันนะดูดูไม่ได้เหมืนเ ม, มื่อวานนี่มันไหน แล้วไปนู่นหรือไปเจออยางนู่นอีกเดินอะไรก็ไม่รู้นะองค์ไหนเป็นเจ้าของจะรู้เองหละเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีในวันนี้พระตั้งเดิมไม่มีเดินอย่างนั้นเดินแขวแขนยกไปแขนอะไรก็แล้วแต่ไปันไปอย่างสบายสบายเอามากทีเดียวนะสบายจนสังเวชเหมือ น, นเราไเห็นเรา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 ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมา์กสรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ครวญความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสีย้ยนตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนี่รูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็น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 นอกจากกิเลสมันทาหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มภูมิายได้ของตนขึ้นจากการทํางานของมันเพราะอาศัยสิ่งสำปะสมพันนั้นเข้ามาคุ้คิดภายในจิตใจนี้เท่า น, านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวาย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 อันคำว่าสิ่งโสกโปกโสหมมนี้แต่ท่านกดใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียนเพียนดูเพียนสังเกตเพียนละเพียนถอนเพียนระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลาดับที่เห็นว่าบกพร่องบกพร่องตรงไหน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 จนกระทั่งโล่งไปหมดภายใ น, นจิตใจเพราะกิเลสบันไลายไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียกรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายใ น, นจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่ า, าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรง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 เป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านามาคิดมาเป็นลมให้เสียเวลเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านามาคิด้าก่าคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจแลสรุปลงในการตาหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสาคัญมาก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 ที่เป็นสติมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้พิภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบุริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทางานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นาคาบริกรรมคาใดก็ตาม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 ทำตัวให้เป็นสุงให้ใหกิเลส ข, ขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้ภากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั่นมันเป็นเรล่มเวลาหนึ่งต่างๆ ก, กิเลสที่อยู่ในหัวใจเหล่านี้อากาลิโก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 ออืเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลตอกว่ากันการพิพจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี้สี่วัดกรรมฐ า, านเนาะมันสมบัติอะไรมันจําเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถนอะไรนีอเข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าแล้วที่นี้่เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนยหมดนั่นนะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเอง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 วิเลศเข้าไปเยี่ยบทำเข้าปีให้หนักเข้าปีอย่างที่กาลกี้นี้ว่ามรรคนี่ผ่านไม่มีหมดเจ็ดหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรก็ ค, ค, คือไฟเาผาหัวใจ เ, เนี่ยพอหานี่นือหาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอะไรทําให้เจอิญทำอะไรทํามีอยู่นี่ทำํำในสูตรไม่จากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนอวิเลศเป็นชั้นใดทํำก็เป็นชั้นนั้น หาแล้วมันก็เจอที่เหมือนกิเลสมีอยู่ทำมีอย yeah, ู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกข์มีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทาไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่แหละพระพิชาเจ้าสอนสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตรีมาสอนเราตาฟ้าฟางฟังอย่างเหล่านี้มันก็ยังเห็นอยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่ในสิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัธรรมนํามาแก้ไขตัวเเเเออองงงพื่่สสริตัวท แล้วทำไมจะไม่ได้ทำอนี้ส่วนร้อนกลางวานันตลอดเวลานี้ระหว่าอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นตืโอ้ทุเรศโ อ, อ้คิดไม่ได้ลงหมดอย่างนี้าศาสนานี่หมดเสื่อมเชื่อมอย่างนี้เอ้เสย่างนีน้อย่างนั้นวันหนึ่งคืนไม่ไปไหนมีแต่แต่เรื่องพื้นเรื่องไฟ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 อะมีมีแหละคอยคอสเพาะพระเน้นบุญมาก็ได้ถ้าเน้นใหม่บุญมา